ไอ้นั่นก็น่าอร่อยไอ้นี่ก็ดูดีใจมันไปกับอาหารเสียหมดสิ้นผ่านให้ลำไส้ขยับเสียงท้องร้องดังได้ยินออกมาข้างนอกเหมือนเสียงน้าวิ่งอยู่ในท่อประปาความหิวบวกกับความอยากกินทำให้น้ำย่อยหลั่งออกมาสนุกคลื้นอยู่ในท้องพอหลวงตาให้พรเสร็จก็เปิดฝาบาด ท, ทันที